ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรมยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอวกุจิตสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยปัญญาสามประเภทศาสนานั้นเป็นาศาสนาของปัญญาซึ่เมื่อกล่าวโดยสรุปในภาคของการปฏิบัติแล้ว ทรงแสดงว่าปัญญายะ บ, บริสุทธิธ์จิตบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาเราเรียกการศาสรูของพระพุทธเจ้าว่ามีปัญญาเครื่องสสรุนม้นความการสสรูนั้นเกิดขึ้นจากที่ทรงมีปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่พัฒนาถึงจุดสุดท้ายคือจุดสูงสุดก็ทำให้ผู้พัฒนาปัญญาก็เข้าถึงความสัสรุ ระบบการสั่งสอนในพุทธศาสนาผู้สอนนั้นจะมุ่งพัฒนาปัญญาแต่คนที่รับคำสอนก็ต้องน้อมเข้ามาด้วยศรัทธาในขณะที่มีการสอนก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานั้นจำแนกแสดงไว้โดยระยะที่แตกต่างกันออกไป สิ่ที่เราได้ยินได้ความมากที่สุดก็คือปัญญาสามแต่แกสุตตามยายปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสอินตามยายะปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการนำโอสิ่งเหล่านั้นเองมาคิดแต่เป็นการคิดยังมีระบบมีกฎเกณฑ์ในการคิดมีความเชื่อมต่อกันแล้วก็เป็นผลเป็นผลของกันและกัน ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการไต่ตรองพิิษ์พิจารณามาแล้วในประสูนรนี้ทรงแสดงถึงปัญญาสามระดับนั่นเองแต่ว่าเน้นในจุดแรกโดทรงแสดงว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เวลาฟังคำสั่งสอน จริงๆแล้วฟังคําสั่งสอนจากแหล่งใดก็ได้และในระบบใดก็ได้ห ร, รือแม้ความมันก็เรียนรู้ทางภาษาทหูหรือแม้เรียนรู้ตามภาษาตาด้วยการอ่านเรียนตามภาษาหูโดยการฟังบุคคลบางประเภทนั้นแม้คําสอนที่ท่านแสดง มีความงามเบื้องต้นงามนะท่ามกลางงามที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัตถะคือภาษาที่ถูกต้องสมบูรณ์เนื้อหาที่ถูกต้องและพยัญชนะคือภาษาที่ใช้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในขณะฟังเองก็ไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจไม่ตั้งใจมันเสียงที่มากระทบหูกกระทบแล้วก็เลยไปกระทบแล้วก็เลยไป เระทมองกล้ายๆกับที่กติไทยเราพูดว่าเข้าหูท้ายจะรูุกว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้ความจำความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้น mm hmm. ก็จะไม่มีปัญญาลักษณะนี้ส่งอุปมาเหมือนกับพัชนะที่ควา่าเราจะเทน้ำจะราดน้ำจะวางไว้กลางขาว ฝนตกสักกี่ร้อยหากระตามันไม่เต็มตครงความไว้คือไม่ยอมรับน้ำการเรียนรู้ในชีวิตของคนเราประเภทเดิมก็มีอย่า ง, งนี้คือแบบภาชนะข่องไม่จะผ่านประสบการณ์ต่างๆเป็นอันมากการเรียนรู้มาเป็นอันมากอ่านมากฟังมากไปยิดมากเห็นมา ก, มากะอะไรกระตาม ได้ขาดทั้งความจำทั้งความเข้าใจทั้งการนำไปคิดและทั้งการนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะจริงทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นกระบวนการของเขาแล้วถึงจุดที่สมบูรณ์มันก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเราจะเรียนรู้รับรู้มาจากแหล่งข้างนอกแต่เวลาคิดเราต้องคิดด้วยใจเราเอ ง, เองคนอื่นจะคิดให้ไม่ได้ เวลาได้รับผลก็ต้องอาศัยการปฏิบัติของเราเองนั้นเพื่สังเกตว่าปัญญาที่เกิดขึ้นาสามระดับที่กล่าวแล้วเอาก็จริงเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเองเป็นหลักทั้งสมตอนแม้ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสถ้าเราขาดความใส่ใจสนใจทั้งใจปัญญานั้นก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความรู้ต่างๆจะเกิดขึ้น ก็ไม่ได้ซึมซับอยู่ภายในจิตใจของคนและมีข้อที่น่าจะศึกษาอีกตอนหนึ่งก็คือที่เราสวดไปบ่อยสรรเสริญธรรมะที่ทรงแสดงว่าอาีตกัลยาณ์นางมาเจกัลยาณ์นางปริโสศนะประโยชน์านะักกัลยาณ์จะแปลว่างานในเบื้องต้นงานในท่ามกลางงานในที่สุดปัญหาอะไรคือหมายความว่ย่งไรก็ตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยพูดกัน การไม่ยพูกกันเนี่ยเคยไปในที่บางแข่งสอบถามโยมบางแข่งเรื่องศีล น, น, นะฮะไม่ได้เชื่อเลแกไม่รู้แปลว่าไงรับศีลไปตั้งนานแล้วนะฮะไม่รู้แปลว่าไงมันอา จ, จะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราทําตามประเพณี ก, กันแล้วก็พระเองก็กยังใจโยมะนะ ไม่กล้าพูดไม่กล้าแปลให้ฟังคล้ายๆจะเป็นการดูหมิน่นเลยสุดก็นั่งวางมากกันเฉยๆไม่รู้อะไรเพราะนที่ว่างานเรื่องต้นทํากลางที่สุดก็เหมือนกันนะฮะกัเราก็สวดแต่ถ้าถามมังสวรัมันก็ยุ่งเหมือนกันนะมันหมายความว่าอย่างไงท่านแสดงไว้หลายนยัยยะนัยยะแรกเนี่ยก็คือพูดเรื่องไตรสิกขา งามในเบื้องต้นด้วยศีลงามในท่ากลางโดยสมาธิงามในที่สุดโดยปัญญาคนนี้รู้สึกอ่าจะทั่วไปแล้วก็เข้าใจกันโดยมากก็จะเข้าใจกันแนวนี้แต่ถ้าเรามองธรรมะท่านจะเห็นว่าบางทีไม่ได้พูดเรื่องศีลไม่ได้พูดเรื่องศีลนะแต่พูดเรื่องสมาธิไปเลยเป็นพูดพชงเจ็ดนะคร ท่านสังเกตลองดูพ่อจงเจดไม่มีสีเนะีย่ยแต่พูดเรื่องสติเรื่องการวิจัยธรรมเรื่องความเพียรเรื่องปีติเรื่องปัจธิเรื่องสมาธิเรื่องเบคาไม่มีไม่มีสมถีถ้าในกรณีนี้หมายความว่าสมาธิเป็นเบื้องต้นปัญญาในทํากลางมรรคเป็นที่สุดบางทีเอาก็จริงไม่มีไม่มีสมาธิเลย จะตียกภาษิาตเมื่อกีว่าปัญญาจะบริสุทธิ์ิติบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคำเดียวเองอันนั้นพูดเท่า น, นั้นในกรณีนีเ้เมื่อเมื่อพูดตรงนี้เราจะต้องเข้าใจว่าปัญญามันจะเป็นเบื้องต้นมักจะเป็นทรรกลางผลจะเป็นที่สุดแต่ทีนี้บางทีภาษิตไม่ใช่อย่างนั้นอีกเป็นแสดงอย่างอื่นแสดงอีกปลายกันอีก แสดงถึงถึงมร์นะฮะโสดาปฏิมร์อย่งั้นอยงั้นอยว่าไปถ้าในกรณีนี้เราต้องจับคู่ใหม่ละแสดงว่ามร์เป็นเบื้องต้นผลเป็นท่ามกลางนิพพานเป็นที่สุดเราก็จบแค่นั้นนะฮะก็จับสุดได้แค่นี้นี่ก็คือว่าเราต้องการประยายไหนในการฟังแล้วจะต้องเข้าใจ หรือจะต้องมองเห็นถึงองค์ธรรมเราดันคือบางทีใล้ๆกับเราจงใจเือว่าเราไม่เข้าใจจริ ง, งนะฮะที่เราฟังง่ายๆว่าปุญญานี้ปรโลกเสมิงปติตาอุตติปานิหนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บาเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเราเข้าใจหรือเปล่าว่าไอ้โลกนี้คืออะไรโลกอื่นคืออะไร เป็นการยืนยันถึงว่าผลบุญนั้นจะติดตามเราไปอํานวยผลเป็นความสุขแก่เราทั้งในชาตินี้และชาตินาตนหน้าและในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธปฏิเสธชาติหน้าโดยลืมไม่ว่าเราเชื่อตรงนี้แต่เราปฏิเสธตรงนั้นเราเชื่อบุญเป็นเพื่อสรรเสริญทางหลายผู้ไปเป็นบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นโลกนี้ท่านเรียกอิทธาโลกคือโลกที่เราอาศัยอยู่นี่ โลกอื่นก็ปรารโลกเกี่ยวกับความเปโลกอื่นโลกอื่นก็อื่นจากโลกของเราคนอื่นก็คือไม่ใช่เราสิ่งอื่นก็คือไม่ใช่สิ่งนั้นเราจะเห็นว่ามางมันก็บอกภาษามก็บอกเราจะพะบว่าคำสอนเนี่ยจ้ามันดูที่คนฟังคือบางคนเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องไปพูดเรื่องสีในละสีมันดีแล้ว อยากใช้ลองสังเกตที่เป็นรู ป, ปรธรรมเพราะว่าของเราในช่วงต่อมาเนี่ยเราก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นเยอะนะฮะรูปแบบพิธีการต่างๆจัดขึ้นสร้างขึ้นเป็นรูปเป็นแบบเป็นขนทมทำเลประเพณีเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมสมัยพุทธกาลมันไม่รุงรังอย่างเงี้ยมันรุงรังอ่ะทีหลังเราก็มารุงรังกันเองฮนะหาเรื่อง สมัยพุทธกาลอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเอาชาวบ้านนะฮะเช่นประยัดศักยประยาาัดศักก็ดีด้นานปัญญากวีก็ดีซึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้าน น, าานั่นนะแล้วปัญญากีด้านท่านท่านเป็นนักบวชอยู่แล้วผู้ยากหน่อยท่นยานรยัดศักยเนี่ยท่านเป็นชาวบ้านแล้วก็มีปัญหาด้วยแล้วก็เดินบ่นมามาถึงเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งให้นั่งลงแล้วก็เทศน์เรื่อง แต่ว่าที่เทศนเนี่ยจริงๆพุทธะเริ่มจากทานเริ่มจากทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ก็ตายกันไปเรื่อยๆท่านไม่ได้สมาทานศีล น, นะไม่ได้สมาทานศีลอะไรแต่ศีลมันก็เกิดขึ้นด้วยเจตนางดเป็นในขณะนั้นเจตนาสารวมระวังสํารวมระวังเกี่ยวกับการฟังอาการทางกายมันก็ไม่ทําอะไรผิด พ่อจ่าก็ไม่ได้พูดอะไรผิดเพราะว่าจิตมันอยู่ที่การฟังตอนนั้นมันก็เป็นทั้งศีลสมาธิทั้งปัญญาท่านจึงบรรลุมรรคผลได้นั่นคือไม่มีรูปแบบรูปแบบที่มาอย่างปันเตอะไรมันรูปแบบเฉยๆบาีก็ราษฎรนาไปแล้วเนื่องจากมันเป็นรูปแบบเราสมาทานศีลมาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ยบางทีออกไม่ทันถึงประตูพ้นประตูวัดเลยผิดศีลแล้ว เพราะจริงๆเราเราทําในกรณีที่เป็นรูปแบบไม่ได้กระทาด้วยจิตจริงๆกระทำด้วยจิตจริงๆที่จริงก็ไม่จําเป็นจะต้องสมาธานก็ได้อธิษฐานเอาตั้งใจเอามันก็เป็นศี่แล้วต่อไปก็คือไอสาสถังสะบยัญชนะเกวละปริบุรณ์ังบริสุทธิ์ทางพรหมจรรย์ประกาศเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะคือเนื้อหา และพยัญชนะคือภาษาที่ใช้สื่อคําสอนเรานั้นอัถะคือตัวเนื้อหาเนื้อหานั้นมันจะมีความเป็นสากลพยัญชนะไม่สากลน ะ, ะพยัญชนะไม่สากลแต่สื่อ ก, กัตรงนั้นได้อะพูดกับตรงนั้นได้ก็เป็นเรื่องสมมติสมมติเอาตรงนี้สิ่งนี้เขาหมายความอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เอากันก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่เนื้อหาจะเป็นสากลเนื้อหาของธรรมะในพุตสานานเนี่ยจริงๆมันง่ายนิดเดียวนะฮะคือถ้าเรามองเรามองถึงอาการที่ปรากฏแก่จิตคือปริมาณของกิเลสเขาลดลงแล้วปริมาณธรรมะเพิ่มขึ้นนั่นคือผลผลในช่วงต่อมาก็คือความสุขความสงบความเยือกเย็น ยันที่พเจ้าทรงแสดงเมื่อส่งพระสาวกไปประกาศศาสนามันก็โครงสร้างนะเอ่อโครงสร้างหลักก็อยู่ตรงนั้นพระเถรตั้งหลายจงเที่ยวจจริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการโนเคราะห์ต่อชาวโลกดันั้นเจตนาในการทํางานของเราในการเผยแผ่ธรรมะของพระเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาไดนน้บรทั้งหลายท่านนั้นเองเพราะงั้น ่สิ่งนั้นจะต้องเกื้อกูลและพิสูจน์ได้งไงว่าเกื้อกูลก็คือดูที่สุขหรือไม่สุขคล้ายๆการรับประทานยารับประทานอาหารนี่ยเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลดูที่เราได้รับความสบายหรือไม่ไม่จะกินอาหารนั้นก็ชักกระแด้วกระเด้วแต่เราจะดูที่ผลคือความสุขเพราะความสุขเนี่ยในเชิงผลแล้วมันจะเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนเพราะถ้าเราได้รับความสุขก็คือถูกต้องตรงอื่นก็ตอนใจนะฮะก็แล้วแต่อาจจะ ไม่ไม่จะเป็นจะต้องเหมือนกันทีนี้พญา น, ะ, นะมันเป็นภาษาที่เยอะเลยเราเอาภาษาที่เขาใช้กันอยู่แล้วในที่นั้นมาใช้แต่เรานิยามความหมายเสมอคล้ายๆกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรก็ตามที่อยู่ในในที่หนึ่งความหมายมันเป็นอย่างหนึง่ง ภ, ภาษาเนี่ยอยู่ในการธนาคารมันก็ความหมายอย่างหนึง่งอยู่ในรัฐศาสตร์ก็ความหมายอย่างหนึง่ง อยู่ในนิติศาสตร์ก็ความหมายอย่างหนึ่งอยู่ในศาสนาสก็ความหมายอย่างหนึ่งเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นใช้สื่อที่พูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าในเมืองไทยเราก็มีแย่ที่เราเห็นว่าสิ่งเดียวกันแต่ใช้ภาษาต่างกันแล้วเราก็เข้าใจนะอย่างอย่างไรลูกฝรัง่งก็จําได้ลูกฝรัง่งอย่าง ลูกฝรั่งเนี่ยทางใต้เนี่ยเขาเรียกว่าลูกสุกพูก็ ข, ขึ้นมาหน่อยนึ่งก็เรียกลูกเย่าหมูมาถึงแถวนี้ก็เรียกว่าฝรัง่งเลยไปแถวโคราชก็เรียกว่ามากซีดาเรจะเห็นว่ามันมันที่จริงมันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันน่ะผลเดียวกันแต่ว่าชื่อมันต่างกันเพราะโดยเนื้อหาพอกินมันก็เหมือนกันนะรสมันก็เหมือนกัน เห็นไหมตัวเนื้อหาคือตัวที่เราสัมผัสตรงนี้เราสัมผัสไปลิ้นรสของลูกพลังเนี่ยเราสัมผัสไปลิ้นเพราะฉะั้นกินก็เถอะไม่ว่าจะเป็นย้าหมูจะเป็นชมพู่จะเป็นมากซีดาหรือจะเป็นพลังก็ทาแต่ว่ารสมันจะเปลี่ยนกันตัวรสก็คือตัวเนื้อหาของมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงในด้านภาษากต่ใด เด็กการสื่อนั้นจะต้องให้ความหมายที่สมบูรณ์ในเชิงที่เป็นภาษาเพราะบางทีในภาษาเราจึงต้องต้องนิยามนะฮะต้องนิยามมันมีมันมีพระพุทธศาสนาษาะสิทธิธรรมบทพระเจ้าทรงแสดงยกย่องบุคคลผู้หนึ่งว่าข้ามารดาข้าบิดาได้แล้วนะะข้าในสวยข้าและแต่ได้ว่าพระก็งงนะหมายความว่าอย่าง ตรงนี้เป็นปรมามัตถธรรมคืท่านพูดกับพระอีกระดับนึ่งคำว่ามารดาบิดาก็คือตัณหาตัณหาที่เป็นเหตุผลเกิดเหมือนกับมารดาบิดาเนี่ยเป็นเหตุผลเกิดมาเพราะงั้นคนที่ฆ่ามารดาบิดาในตรงนี้นะะความหมายตรงนี้หมายถึงฆ่ากิเลสไม่ใช่ฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือวันที่ตัดป่าจะตัดต้นไม้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเนะนี่ยไม่ว่ามาจยังไงตัดป่าจะตัดต้นไม้ คำว่าป่าเนี่ยหมายความถึงเอาในยะของความรกชัดของป่าเข้ามาเป็นสื่อในการสอนแล้วจิตใจเราเนี่ยมันรกชัดด้วยป่าคือกิเลสเพราะให้ตัดป่าเนี่ยให้ทําลายป่าแต่อย่าไปทําลายต้นไม้นะเพราะว่าสื่อทั่วไปเราหมายทั่วไปเนี่ยแล้วป่าก็คือต้นไม้ถ้าตัดป่าก็คือต้องตัดต้นไม้แต่นักวิเจ้าก็บอกว่าจงตัดป่านะแต่อย่าตัดต้นไม้นะพระก็งงคนกลางก็งงไอ้หมายความว่อมาอย่างไง ก็ทรงสอนให้ดูว่าข้างในใจเราเนี่ยมันรกกรุงรังไปหมดเลยไม่รู้อะไรแต่ไหนเพราะันถ้าจะแก้ปัญหาไม่ให้รกก็คือต้องตัดที่ใจเดือนนี้เราจะพูดวิกฤตน้ำนะนะกำลังวิกฤ t น้ำพูดกันน่าเสียวเลยเรจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงน้ำเนี่ยมันเยอะนะแต่มันเป็นเรื่องของความ อะไรล่ะน้ำที่มีอยู่แล้วเราก็สุดรสิสระกันเกินไปใช้กันอุดตรุดตอนนี้พวกอาบอบนวดกับพวกสนามกอล์ฟมีสุดเป้งเลงมากใช้น้ำมากน้ามากเกินเหตุแต่ที่เราปล่อยชิ้งทะเลเนี่ยก็เยอะแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือจะทำอ่างทำอะไรเก็บกักเก็บน้ำไม่ได้มันต่อต้านทุกทีเป็นความบิดพลาดบกคร่องเราเราเมืองเรามีฝนทุกปีนะฝน เ, เยอะ แต่เราไม่รู้จักเก็บเอารักษาเอาไว้ในะสุดก็จะไปโทษน้นโทษนี้เพราะอะไรเพราะภายในใจิตใจเรามันรกด้วยความเห็นแก่ตัวนึกถึงตัวนึกถึงความสะดวกสบายของตัวน้ำประปายเพื่อนไม่เคยมีใช้คนหนึ่งเอามาเล่นรถสนามเป็นไม่รู้กี่ไร่ที่ก็ราตามกฎหมายอะไรแต่ไรเนี่นี่ก็คือสิ่งที่ มันมีความรกชัดแค่ไหนดังนั้นพวกอัตถพยัญชนะเราจึงสวดอยู่บ่อยเราพูดบอยเพื่อจะให้มองเห็นทั้งสองด้านนะแล้วอย่าไปติดใจในตัวพยัญชนะแต่หมายความว่าการสื่อการพูดเนี่ยพยัญชนะต้องชัดเจนภาษานั้นต้องชัดเจนว่าตรงนี้หมายความเป็นยังไงเราจึงพบว่าเวลาเนี่ยคนก็ท้วงติงว่าพระชอบอ้างบาลีนะที่จริงเราต้องการนิยามความหมายชัดเจน เพื่อจะสื่อกันให้เกิดความเข้าใจว่าตรงนี้คำนี้หมายความว่าอย่างนี้ไม่จะไปคิดไปอย่างอื่นปัญญาประการต่อไปนั้นทรงใช้คำว่าปัญญาที่เหมือนหน้าตาก็ใช้แนวเดิมนะฮะหมายความว่า ในการเรียนรู้ด้วยการฟังหรือด้วยการอ่านสมัยผู้เจ้ามันก็ฟังไงนะฮะฟังเป็นหลักแต่ในปัจจุบันก็มีการอ่านสมัยนั้นก็ที่จริงก็มีการอ่านแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักคือคนในยุคนั้นเขาถือว่าสิ่งที่เป็นคําสอนนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าเลยว่าศาสนาเนี่ยมันเกิดทีหลังประเพณีนะฮะประเพณีก็มีอยู่ก่อนไปขวางประเพณีไม่ได้ พุทศานาเราก็เกิดมาทีหลังรประเพณีเมื่อประเพณีเ็ามีอย่างนั้นมันก็ต้องอนุวัตตามอย่างนั้นคือแต่ที่จะใช้อักษรใช้เขียนกันก็ใช้เรียนด้วยมุขปาฏิาริคือเรียนด้วยการฟังเป็นหลักแต่เพื่อจะให้เกิดประสิทธทิผลจริงๆในส่วนของพระพุทธเจ้าเองถ้าเรามองดูในยุคนี้สมัยนี้นะทํทำไมพูดซ้ำๆกัน แต่ถ้าเรามองสมัยนั้นแล้วจําเป็นมากๆจะเป็นมากๆเรื่องเรื่องเองการซ้ำเนี่ยอยางพวกพระที่เรียนหนังสือสมัยมาเรียนหนังสือคือคือคื อ, คอตัวหนังสือที่เราท่องเป็นเล่มๆเนี่ยเราจะอ่านอ่านกลับไปกลับมาในห้าเที่ยวในแต่ละข้อเนี่ยอ่านห้าเที่ยวแล้วก็หลับห ล, ลับตา ในช่วงสามสี่เที่ยวหลังในช่วงที่สี่ที่ห้าเนี่ยเราเริ่มรีตาแล้วดูบ้างไม่ดูบ้างดูมันจำได้แล้ ว, ลวเสร็จแล้วเราจะท่องท่องกับไปกับมาในห้าเที่ยวแล้วผ่านในข้อหมายความมาข้อหนึ่งเราใช้สิบเที่ย ว, วก็ว่าไปเร้่ยๆก็ท่องไปเดื่อเพื่อเกิดความจำคือเราต้องจำด้วยนะเพราะถ้าเราลืมเราไม่รู้จะดูที่ไหน ประเทศแล้วก็หายไปแล้วคนก็ต้องจำไว้ด้วยใจอย่างในสมัยสมัยก่อนนะาจะเห็นว่าสำนวนโบราณในท่านเทศเนี่ยท่านเทศสำนวนสวิงสวายมากท่านบอกว่าให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเนี่ยทำจิตใจของท่านให้เหมือนภาชนะทองรองรับเอาน้ำนมไกลสอนราชสีคือพระบาลีที่อาตมะจะยกมาแล้วขยายได้ก็ว่า มาคว่าเราจะต้องจะต้องทําใจเราเหมือนกับพระชนะพระชนะทองคําถึงมันมีค่าแล้วรับรมรับรับน้ํานมไกรสอนราชสีน้ํานมราชสีนี่หายากมากมากเนะก็รับรองรับไว้มาความตัวน้ํานมก็มีค่าตัวทองก็มีค่าใจเรานั้นก็เหมือนกับทองน้ํานมก็เหมือนกับธรรมะน้ํานมไกรสอนราชสีก็เหมือนกับธรรมะต้องประคับประคบประคองไปรับต้วการประคองท่านสอนไม่รู้ไปทำดีนะ เราไม่รู้ประทำว่าให้รับอย่างนี้แต่เราจะเห็นว่าปร ะ, ประเภทแรกไม่รับมันคว่ำ ม, มาภาชนะมันก็ความเอาไว้ประเภทที่สองหนูแลคายรับแต่รับเบางบนตักมาความว่าในขณะที่ฟังเนี่ยเราอาจจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจคิดตามได้นะคิดตามได้แล้วเข้าใจตามเรื่องที่มีการแสดงหรือมีการพูดกัน ตามตามเรื่องที่ท่านพูดได้หมายถึงก็สะดุดไม่จะงักงานอะไรแต่ไร่แต่ว่าพื้นฐานในการจำไม่มีหรือมีก็น้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่คิดเพราะที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่ากระแสมันจะไหลไปในการเรียนเนี่ยเราเราจะมีปัญญาทั้งสามตัว ปัญญาในการฟังปัญญาในการคิดปัญญาในการทําปัญญาในการลงมือเราคุณปฏิบัติและตัวหลักจริงๆก็คือฟังคิดฟังคิดฟังคิดฟังคิดรู้ฟังคิดรู้ฟังคิดรู้เนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการธรรมะเนี่ยมันมันจะเกิดฟังคิดรู้ฟังคิดรู้ฟังคิดรู้ตลอดแต่ทีนี้ถ้าฟังในลักษณะทะลุเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือฟังแล้วไม่คิดเนี่ยนะฟังแล้วไม่คิดเนี่ยความรู้จะไม่ ธรรมะจริงก็เกิดต่อกันเพียงแต่ว่าท่านแยกเอาไว้ดูนะฮะว่าจริงๆมันมีขั้นแต่อย่าลืมมาเป็นขณะมันเป็นขณะเพราะเรื่องอะไรเราได้ยินปั๊บเราจะรู้ปุ๊บจริงๆในกระบวนการทางจิตมันมีการฟังมันมีการคิดแต่ไม่มีการรู้เพียงแต่เร็วหมดนะฟังเร็วคิดเร็วรู้เร็วนะบางทีเขาเขาพูดอะไรมาครึ่งประโยคในเรารู้นะแสดงว่าความแหลมคมของสติสมัมปชัญญะของเราในสูงมาก คนบางคนพออ้าปากจะพูดเรารู้แล้วเ ล, ลวเห็นไหมว่า น, นี่นี่ก็คือก็คือคุณคุณสมบัติภายในใจเราที่มีมีมากนะมีมากพอที่จะวินิจฉัยเรื่องอะไรได้บานทีก็ดูหน้าก็รู้ใจนะนนี้แสดงถึงความแหลมคมของฟังคิดแล้วก็รู้ฟัง ค, คิดรู้เป็นอาการของจิตนะฮะรับ จำคิดรู้ใชรับจำคิดรู้เนี่มันมั น, ม, นมันเป็นกระบวนการทางจิตเพราะ น, นฟังก็คือการรับรับแล้วมันมาเพราะหน่วกกับตัวจําที่เรามีอยู่แล้วถ้าตัวจําเราไม่มีเนี่อเรารู้ไม่ได้แต่าการจําจริงเราก็สะสมกันมาเรื่อยๆเป็นระบบที่น่าเชื่องระบบการทางจิตระบบของจิตเอจะเห็นว่า เรื่องบางเรื่องตั้งหลายสิบปีแล้วนะมันไม่มีตัวกระตุ้นเราเราก็ไม่นึกว่ามันจะมีเจ่างว่าสิ่งที่เราเคยพบเห็นสมไปเป็นเด็กๆแล้วเราไม่เคยพบ อ, อีกเลยแต่จริงๆเ่งเหล่านั้นยังมีอยู่เพราะเราเจ็บเราเราจำเอาไว้เราเก็บไว้พอหยุปั๊ปบเราก็นึกออกเราก็รู้จักเรียกนึกออกนะครับหมายความว่ามีให้นึกถึงจะนึกออกถ้าไม่มีให้นึกมันก็นึกไม่ออกไ อ, ไอตัวมีให้นึกก็คือตัวที่เราจำ แล้วก็นำไปคิดผ่านกระบวนการคิดๆมันก็แนบไปกับนั่นเพราะนั้นเวลาทรงสอนแนวแนวการฟังเนี่ยถึงใช้คำว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็ฟังถับในขณะความก็นเง่หูลงฟังเงี่ยหูลงฟังกําหนดข้อความกําหนดความพิจารณาข้อความแล้วก็ไตรตรองธรรมะเหล่านั้นให้เห็นตามความเป็น พิจารณาแล้วก็ใจตรองเชื่อมโยงกันไปทีได้แล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงธรรมะในพุทธศาสนาต้องคิดนะต้องคิดแล้วคิดจากรูปธรรมไปหานา ม, มาธรรมจากนา ม, มาธรรมไปหารูปธรรมและจะเห็นว่าชีวิตคือธรรมะเป็นกระบวนการของธรรมะที่เคลื่อนไหวไปอยู่ทุกขณะทุกขณะนั้นเป็นธรรมะ จะดีหรือไม่ดี ก, กลางๆอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าธรรมะมีสามประเภทเพราผู้ฟังแนวนี้ก็คือฟังก็รู้นะในขณนะนั้นคิดแล้วก็รู้แต่ลืมประสิทธิภาพการจำไม่ดีฟังทีไปถึงบ้านก็อาจจะพูดว่าพระเทศีพระธรรมเทศเรื่องอะไรนั่นสิไม่รู้ลืมละ นั่นก็คือก็คือลักษณะของของเมื่อเราของหวางไว้บนตักเราจะเห็นว่าพวกตักก็ดีพระจนะคมก็ดีเป็นอุ ป, ปมาที่เป็นรูปธรรมเพราะสิ่งที่เราฟังมาเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมจะยกตัวอย่างยังไงอ่ะมันก็ต้องยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเมื่อเราของหวางไว้บนตักว า, ว, วางไว้เยอะเลยวางบนตักแต่พอลุกขึ้นนะ่ะของมัร่วงหมดของร่วงหมดอยู่บนตัก เมื่อคืนเนี่ยฮะตอนกลางวันไปฟังกิจกรรมของมูลนิธิสุพนิมิตของคริสเนี่ยนะก็รู้สึกแ้าเก่งแล้วก็มาม า, มาคิดถึงถึงญาติโยมเราถึงชาวบ้านเราวิีชีวิตแบบแบบเดิมที่หลงผิดกันเนี่ยคิดซะดึกเลยเ่อคืนเนี่ยเทอทยังไง คือเราจะเห็นว่าญาติโยมที่มาฟังฟังเทศฟังธรรมในวัดเนี่ยมันมีอย่างอย่างหนึ่งที่ที่ค่อนข้างพลาดเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะเราศึกษาเราปฏิบัติเราต้องเผยแผ่เราต้องเผยแผ่ด้วยศึกษาปฏิบัติเผยแผ่เนี่ยเป็นสูตรหลักของเราหมายความว่าคล้ายๆกับเรากินอาหารอร่อยแล้วเนี่ยต้องแบ่งให้คนอื่น ยิ่งกินก็นเดียดด้ไงทีนี้พอเราพอเราปฏิบัติธรรมะไปแล้วสมมติวราสมาทานศีลแปดแล้วเข้าห้องเงียบเลยไม่พูดจาไม่สูงสิงกับใครลูกหลานเข้าใกล้ก็ไม่ได้จะเพิดเลยรวยจะต้องอบดับยังไงไหมวะเปิดศีลจะขาดอันนี้คือความคิดที่พลาดมันอยู่ที่การไม่ได้อธิบายกันแา่บ้านในรับสาศีแลแปดจไปใหญ่เลยไม่ยอมพูดจากับใครเลย คุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ยอมพูดกับลูกเลยคือคือเราจะเห็นว่าเป็นความเข้าใจพลาดในกรณีของข้อที่สามสินข้อที่สามยคือไปคิดถ้ารักษาศินแปดแล้วผู้หญิงถูกผู้ชายไม่ได้ผู้ชายถูกผู้หญิงไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะมันวินัยพระไม่จะวินัยชาวบ้านชื่อมันเหมือนกันอะไรนะชื่อมันเหมือนกันแต่อัตถะมันไม่เหมือนกันพยญา น, นะเหมือนกันอภรรมัจริยาเวรมณีเหมือนกัน แต่พระยะเนื้อหาแล้วไม่เหมือนกันเนื้อหาของชาวบ้านก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์เท่านั้นเองมันไม่จะจับต้องกันไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านคือชาวบ้านมีลูกมีหลานอยู่ที่บ้านจะทำไงถ้าษาสีลไปแล้วก็ไปอยู่กับลูกกับหลานอุ้มลูกกุมหลานอยนี้ลูกหลานขึ้นกี่คอนั่งตักอย่างไรจะทำไงนะฮะนั่นคือชาวบ้านแต่นั่นเองเพียงแต่เขางดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจับต้องกันไม่ได้ ไอ้จากการไปเจ่าถืออย่างเงี้ยเลยเคร่งเกินเหตุแล้วพอลูกหลานเขากล้าเลยดุเอ๊เด็กนั้นมีญาเนี่ยเป็นยังไงเพี้ยนยัยไงตอนไปก่อนก่อนไม่เข้าวัดดีๆนายบอกเข้าวัดเลยดุจังเลยเลยทำให้เด็กรังเกียจศาสนาซึ่งจุดอันตรายตรงเนี้ยนะละมากำมังจะจะพูดเรื่องรัฐบาลไปเพิ่มนิจจภาพไทยพระก็มาไม่เห็นด้วยเลย อันตรายนะแต่วันมองแต่เรื่องได้เราไปพูดมันก็ขัดคอคนทั้งๆ ท, ที่เราก็จะได้ด้วยนะจริงนะแต่ว่าไม่เห็นด้วยเลยเพราะอย่าลืมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีประการแรกแหละเมื่อเราขึ้นขึ้นพูดได้เนะี่ยอิสลามจะเรียกร้องเห็นไหมอิสลามนี่เพิ่มไปตั้งกี่พัสิเซนสังกัดสองหมื่นอิสลามหมื่นสอง ปรากรพุทธ95เปอิสลามมีสองล้านกว่าสองล้านเจ็ดแสนก็เรามีห้าสิบกว่าล้านแต่ศักดิ์ศรีมันเกิดจะเท่ากันแน่ไะทีนี้พระได้แล้วอิสลามมันจะเรียกร้องพะอิสลามได้ร้องคริดก็ต้องเรียกร้องแล้วทั้งศาสนาเลยจะมาเรียกร้องหมดนั่นคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านจะมองว่าแคกับพระรวยอ่ะพระท่านรวยแล้ว การตรนุบารุงที่เคยมีมันจะมันจะลดลงไปและการที่เรามาทุ่มโดยรัฐะมาทุ่มให้าศาสนาในในเรื่องที่ถูกที่ควรเช่นวิจการทางาศาสนานี่ถูกต้องต้องช่วยนะฮเช่นการศึกษาการเผยแพร่อะไร่ารัฐต้องสนับสนุนแต่ไม่ใช่สนับสนุนเป็นปัจเจกชดอย่างนี้พระพุทธศาสนาที่เสื่อมหลังยุคพระเจ้าอโศกเเพราะอะไร พระพเจ้าโศกเอาเงินมาทุ่มบำรุงศาสนาเกินเหตุเราเราอ่านแล้วเราก็เกินเหตุมันไม่ใช่บำรุงเร่ปลนเปลือยนะอย่างญาติโยงเมืองหลวงได้ไปปลนเปลือยพระกรรมฐานอย่างเสียเด็กกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ยพระกรรมฐานเสียเด็กไปเยอะอยู่ในป่านะนเสียแล้วเอามาเอารถเบนซ์อย่างดีต้องขึ้นเครื่องบินต้องมีม็อกกี้ทอกกี้ใหนะ้เสียเด็กเยอะ แล้วต้องมาก็ต้องเอาไปพักที่บ้านห้องต้องติดแอร์อย่างดีเลยพระก็อยู่ป่าเงียบๆแล้วมาปลนปลือมันไม่ใช่บำรุงก็สอนให้บำรุงไม่ใช่ปลนปลือปลนปลือมันกรรมาคุณบำรุงมันศรัทธานะเวเนี้พระกรรมฐานเนี่ยคนคนที่ไปลองดูติกรรมฐานวัดกรรมฐานนี่มันหรูกว่าวัดในกรุงเทพติเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องสุขภัณฑ์โอ้โหจังๆเลยเสียนิสัยหมด นี่คืออันตรายในการบำรุงศาสนาศาสนามันพระมาจรรมันต้องลดการมันไม่จะไเพิ่มกรรมแล้วผลทายไปยังไงพอถึงยุคพระเจ้าสัมปติหลานพระเจ้าอโศกแกแค้นนะแก้โกรธปู่ที่เอาเงินบำรุงศาสนาแต่แก่ทาอะไรปู่ไม่ได้พก็ได้อํานาจแก่เบียดเบียนพระ เ, เห็นไหมว่าความโกรธที่เกิดจากความโกรธหมายความว่าท่านโกรธโกรธปู่ที่ปูป่ไปบำรุงพระ แต่หมายความถ้าไม่มีพระปู่ก็ไม่บำรุงปู่ไม่บำรุงเงินก็แผ่นดินก็จะอยู่กับเขาเพราะั้นไประ บ, บายที่ไหนหาทางระ บ, บายที่พระจตนาพุทธสุดเลยนี่คือมหาอามิต ท, ที่มองในแม่ในแนวเดียววันก็อมาก็ต่อว่าที่ปรดีโครงการหาหน้าเสียเลยแกนึกว่าเราจะดีใจนะคือคือ ค, อคอืคือมันมันเรียกว่าบารุง หน่ยภาพรวมเนี่ยต้องทำแต่ว่าเป็นปฏิเจกชุไม่ได้ปฏิเจกชุจะมีปัญหามากขึ้นแล้วคนไม่ใช่เป็นดีหมดเลยบางคนเออตาแหน่งนี้นี่จะพัดแยะนะฮะชั้นราชนี่สี่พันนะขึ้นมาเนี่ยโอยชั้นเทพหกพันอ้ต้องต้องต้อ ง, องรีบหาทางเป็นชั้นเทพได้ใหญ่ด้วยฮะมันมีทางราะวะตาณหากามาตานามันออยเยือหมดเลย กามาตัณหาก็อยากได้นีจ้จะพัดเพราะว่าตัณหาก็อยากได้เป็นเจ้าขุนชั้นสูงขึ้นไปรู้สิกก็เชียร์เลยเละ น, นี่คืออันตรายอันตรายที่ที่น่าห่วงมากๆากต่าพูดไม่ได้นะฮะขัดคอคนอ้อยเข้าปากช้างแต่คงจะต้องพูดเลยนะฮะคงจะต้องพูดยังหาจังหวะไม่ได้นี่ก็คือก็คืออะไรคือสิ่งที่เราไม่ได้มองถึงผลต่อเรือ เป็นการมองช่วงสั้นๆมองจะได้นะว่าได้แล้วนี่ต่อไปมันเป็นอะไรต่อไปจะเป็นอะไรในในเมื่อญาติโยมชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่เยอะเอาเงินมาทุ่มด้านในด้านหนึ่งไม่ได้เงินมันต้องเกลี่ยถ้าบรรลุเป็นภาพรวมฉันสนับสนุนศูนย์การศึกษาขึ้นมานะเงินนั้นมันก็ถึงคนที่ที่มีความหลากหลายเพราะว่าการศึกษาก็คือลูกของชาวบ้านแต่เรามาบวช แทนที่จะไปกองอยู่ที่กองใดกอหนึ่งพวกระดับนี้มันมันไม่จําเป็นนะนะเงินขนาดนั้นญาติโยมไม่ถวายกันได้ไม่ถวายก็ก็อยู่พอได้นะก็อยู่ได้การมองเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญมากเพราะฉะนั้นการคิดต้องมีระบบต่อไปต่อไปเนี่ยสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันต้องทยอยเห็นอย่างนั้นต่อไปมันเป็นอย่างไงเดี๋ยวมันมีบทเรียนในอดีตอยู่แล้ว ในการคิดในการเตสร้างความคิดไม่ใช่ว่าเราจะใช้เฉพาะปัจจุบันปัจจุบันเราคิดไม่ออกหรอกแต่เรามีบทเรียนในอดีตเพราะด้วโดยโครงสร้างอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งก็มีทางเป็นอย่าง อ, างอื่นเพราะมนุษย์ในอดีตก็คนมีกิเลสมนุษย์สมัยนี้ก็คนมีกิเลสและกิเลสชักจะมากก็เลสทำไปเพราะนการการฟังในแนวนี้เราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ตักมันของได้วางไว้ที่ตักปลุกขึ้นก็หล่น ก็ตกบางทีเรื่องไม่ไม่น่าเชื่อนะว่ามาขนาดนี้แล้วเรื่องขนาดนี้ยังไม่เข้าใจเพราะมันก็แบบตักนะฮะแบบตักแบบพัจนะความประการต่อไปนั้นเป็นปัญญาที่เรียกว่ามีปัญญามากคือพัชนะที่ไม่ควม่มเรียกว่าอาคุจิตะคือพัชนะที่ไม่ควม่มก็บิดคือพัชนะที่ห่าย อย่างที่เคยบอกให้ท่านตั้งหลายใฟังว่ า, าศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ใช่แบบาศาสนาคริสต์สลับศาสนาพุทธเราถือว่าพุทธศาสนิกชนเป็นบินยูชนพระจะไม่ไปจุนจ้านวุ่นวายกับวิถีชีวิตของชาวบา้านแล้วก็มีหน้าที่ทําในหน้าที่ส่วนตัวที่จะทําต่อชาวบ้านก็คือธรรมสังฆะคือสงฆ์เลือดธรรมะ การให้ศึกษาธรรมสนทานาธรรมให้ฟังธรรมให้ปฏิบัติธรรมก็ทำนั้นเนี่ยคือหน้าที่หลักแต่ว่าทีนี้ผู้ฟังเนี่ยเป็นยังไงที่เคยยกตัวอย่างพัะาจารสี่ประเภทนะมันก็แนวนี้มันก็อยู่ที่พัะาจาซึ่งรองรับาการสอนธรรมะของพระเจ้าหรือประสงค์ที่สืบสางานนี้เป็นการทำโดยเมตตากรุณาเป็นหลักเป็นฐาน เมตตากุณามื่ก็ผลหลังมาจากพระเมื่อการแผ่เมตตาอะไรก็เหมือนกันนะเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่เขารับหรือไม่รับอยู่ที่เขารับหรือไม่รับถ้าไม่รับมันก็อยู่ที่เขาแต่ไม่จะอยู่ที่ไม่อยู่ที่ฝนฝนเป็นเหตุปัจจัยให้ตกเขาก็ตกแต่วระจ้าจน้าที่รองรับเป็นยังไงพระเจ้นะค่ําหรือว่าหงายแต่ทะลุหรูอว่า ง, า ย, ะะ า, งายแต่ปิดขวา เราเห็นว่าผู้ปิดฝานี่เยอะปัจจุบันผู้ปิดฝานี่้คนก็เวลามีปัญหาไรก็โทษพระโทษศสาสนาไม่สั่งสอนอบรมประชาชนโสพินเพลีเด็กก็โยนให้พระปัญหายาเสพติดก็โยนให้พระโรคเอจึงโยนให้พระใจคอมันเหลือเกินจริงๆมันอะไรแต่มันโยนให้พระหมดเลยแต่เวลาจะสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาไม่สนับสนุน กิจกรรมเนี่ยกิจกรรมภาพรวมที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติเนี่ยแก่ประชาชนเป็นส่วนรวมเช่นว่าให้รายการทางโทรทัศน์ที่ในช่วงที่ไม่ใช่คนนอนหลับนะไอ้สองโมงเช้าวันอาทิตย์แต่คนไม่ตื่นเป็นวันหยุดอุตส่าห์ให้นะอุตส่าห์ให้ในอธิบายนื่ว่าฉลาดมากมันก่อนเนี่ยมาต่อว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าเมื่อต้องการจะให้ประชาชนได้ฟังพร้อมๆกันจึงให้เวลาเท่ากัน คุณพูดเอาแต่ได้คุณจะลืมบทโทรทัศน์ของเขาอ่ะก็รว่รวารายการตรงนี้เป็นตา ม, มาเขาไม่เปิดเราก็จะได้ฟังได้ไงแต่ว่าคุณทำลายโอกาสของผู้ฟังที่อยากฟังแล้วคุณทำลายการทำงานของศาสนาให้ร้ายประสิทธิภาพมันไม่เกิดประโยชน์สถานีตัรทัศน์สี่้าช่องหมุนไปบุนมาเลยไม่รู้เรื่องอะไร แดีวถ้าเราวิ่งกันเนี่ยคนละสามสบวนาทีสามสิ 3, บวนาทีเนี่ยจากสองโมงครึ่งจากสองโมงสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งสามโมงสามโมงสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ยเอาสิ5ห้าไปเรื่องสี่โมงครึ่งโทรทัศน์สามสิบวนาทีเปลี่ยนได้เลย que, คนจะได้ฟังธรรมะวันสามสองยโมงครึ่งสาหรับคนที่สนใจฟังคนไม่สนใจฟังคือคนไม่สนใจฟังเพราะมันเป็นภาชนะปิดปิดฝาพวกใจบอด ใจบอดถูถูไม่หนวกแล้วแต่ใจบอดมันก็ปิดฝาคือบิดใจไม่ยอมรับแต่ว่ามันอยู่ที่การเปิดใจเปิดใจยอมรับเพราะว่ามันเป็นการส่งของให้แต่ว่ากระบวนการในการที่ใจะใหเกิดประโยชน์แก่ร่างกายแค่ก็ส่งผลไม้ให้เนี่ยมันมันมันอยู่ที่คนรับว่าจะเอาไปทํำยังไงอะต่อไปก็แค่ส่งให้แต่นั้นเองอะมันต้องผ่านกระบวนการปอกเปลือก กระบวนการเคี้ยวแล้วกระบวนการกลืนเข้าไปแล้วก็มีระบบย่อยข้างใน ấy, จึงจะเกิดเป็นเป็นประโยชน์แก่ร่างกายขึ้นมาซึ่งทั้งหมดจากปลอกเปลือกไปเนี่ยต้องทำเองแล้วใครจะทำให้นี่คือกระบวนการของการให้ของทั้งหลายนี่คุณเห็นว่าไม่ใช่ให้เบ็ดเสร็จอ่ะนอกจากคนป่วยก็ใส่สายยางเข้าไปใ น, นห้องซีซียูซแล้วจะตายแล้วตอนนั้นอะ่ะแต่คนเดเขาก็ไม่ได้ให้กันขนาดนั้นน่ะ ให้สายาในโจนตายเลยทั้งนั้นเะเพราะงั้นธรรมะประเภทเนี้มันก็อยู่ที่ที่ภาชนะซึ่งงายเปิดฝาโดยตัวเองไม่ทะลุด้วยตรงนี้คือภาชนะประเภทนั้นธรรมะที่ใครจะแสดงเนี่ยไม่สำคัญธรรมะก็คือธรรมะแต่ปัญหาว่าผู้ฟังเนี่ยฟังอย่างไรฟังอย่างที่ว่าไว้จะกินหรือไม่ เข้าไปหา ต, ต้องมีศรัทธานะฮะมีศรัทธาเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหานั่งกลายนั่งกลายฟังธรรมฟังธรรมเงี่ยหูลงฟังกําหนดข้อความพิจารณาข้อความเราเห็นว่ากําหนดข้อความแล้วพิจารณาข้อความทีนี่การพิจารณาเนี่ยธรรมะที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่สลับซับซ้อนอะไรนะฮะแต่เราไปมองให้สลับซับซ้อนกันเองเราเรียนธรรมะเนี่ย เราจะสามารถเรียนจากข้อหนึ่งไปหาอีกข้อหนึ่งโดยไม่จําเป็นจะต้องดูข้อนั้นเพราะธรรมะมันมีสองด้านมันมันโลกเป็นธรรมวิภาวะมันมีมืดมีสว่างมีมีเย็นมีร้อนมีสุขมีทุกข์มีกลางคืนมีกลางวันมันสภาวะแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ปรากฏโรวบเก็บแต่เรารู้ตึงตรงงานข้ามเพรา ะ, ะนั้นเย็นก็คือทรงงานข้ามกว่ร้อนพอเราเจอเย็นเราอธิบายร้อนได้วเจอมืดเราอธิบายสว่างได้ ถ้าเจอสุกราอธิบายทุกได้เพราะมันตรงกันข้ามกับสุขธรรมะจะมีลักษณะตรงกันครับเพราะเราจะคิดต่อได้เช่นเช่นอย่างตัวอย่างที่ยกตะกี้ว่าไฟไหม้นะฮะดับเป็นยังไงไม่ดับเป็นยังไงเราจะเห็นเรื่องความต่อเนื่องว่าพอดับปั๊บเนี่ยอสิ่งที่ถูกไหม้ทำลายมั น, ม, น, ม, นมันก็ไม่ถูกทําลายไปซึ่งแน่นอนถ้าไม่ดับมันก็ถูกทําลาย แต่พอดับไปไงคือไม่มีการทำลายแล้วผลเป็นไงผลก็คือเราได้ประโยชน์จากต้นไม้เล่านะั้เราคิดต่อไปได้เราจะเห็นว่าจะตรงกันข้ามเช่นโลภ ก, กดหลงก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใช่ไหมฮะโลภกดหลงก็คือก็คือกิเลสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็คื อ, ไ ม, กกมคอไม่มีกิเลสมันจะมันจะอยู่อย่เ ง, งี้ยสามก็สามก็คือหถ้าสี่สี่ก็คือแปดนี่เรียนเรียกว่าเรียนตรงกันข้ามและเรายังสามารถเรียนลักษณะใคร้ครึง แผลกเพียนกันบางจุดเหมือนกันในบางจุดเพราะงั้นจุดที่เราจะจําก็คือจุดที่มันแผกเพียนออกไปเท่านท่านจะอธิบายควายวัววัวกระทิงม้าช้างอะไรสัตว์สีเท้าด้วยกันเราจะเห็นว่ามันจะเหมือนกันในกรณีที่มีหัวมีตัวมีหางมีขาสี่ขาอะไรเหมือนกันอยู่เยอะเอาเฉพาะจุดต่างช้างมันต่างจากโคตรงไหนโคมันต่างจากควายตรงไหนควายมันต่างจากม้าตรงไหนเห็นไหมเราจําเฉพาะประเด็นต่างแต่นั้นเอง แต่ภาพรวมคือสัตว์สี่เท้าสี่เท้าแล้วก็มีหางมีหัวมีตัวมีหูอะไร ก, ก, ก, ก, ก็ที่มันเหมือนกันอยู่เยอะเลยนั่น ก, ก็คือก็คือวิธีจับวิธีคิดแล้วเราก็จับได้ทีนี้การการมองการคิดเนี่ยวันก่อนที่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าอธิบายติโรมจการเนี่ยนวันวันหลังจะไปไประชุม คือมาบอกว่าการมองธรรมะต้องมองได้สามตอนแต่เขาไม่เคยเข้าใจนะฮะสามตอนก็คือเร า, เราจะมองจากคนเราการและข้าไปหาธรรมหรือจะมองจากธรรมเป็นการและเป็นคนเช่นอะไรฮะเช่นนายกโกรธโกรธนายแดงแล้วฆ่านายแดงตายโดยจะเห็นเป็นผ้าทันทีเลยโกรธเนี้ยเป็นธรรมะเห็นไหมเป็นกิเลส โกรธเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกภายในรู้เร่างไปยังไงก็ไม่รู้มันมันมันเป็นธรระแต่มันเผาหลนใจแรงจนถึงก็โกรธคุมไว้ไม่อยู่อาจจะออกมาด่าก่อนแล้วนะฮะอาจจะออกมาด่าก่อนแล้ ว, ลวก็ฆ่าในก็การฆ่านคืออาการของความโกรธทาไม่โกรธฆ่าได้ไหมไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะว่าฆ่าจริงๆมันเป็นอาการของโกรธและถ้าไม่ไม่โกรธแรงฆ่านะ ไ, ไม่ได้ เราจริงเห็นว่าบางชีในแม่โกรธจังไงยถึงก็เงื้อมืออย่างดีจะต่อยมาเลยมันทําหน้าแล้วห้อยยกมือไหว้ขอโทษนะครับผมจบไปแล้วมืออ่อนฮะกัวมันลดตีไม่ได้เห็นไหมบางบงบีก็ตีอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ย๋ยวไม่กล้าตีเพราะว่าความโกรธมันไม่แรงพอที่จะตีคนเนี่ยเลยตีมือตัวเองทีนี้ถ้าบอกกลกลัวมันลดแม้แต่มือก็จะไม่ตี เพราประโยคนี้ที่จริงมันเป็นทั้งทั้งธรรมะนะแล้วก็เป็นทั้งอากาศแล้วก็เป็นทั้งคนนายกโกรธนายขอฆ่านายกตายเนี่ยภาคขณะนี้เราจะเห็นทันทีว่ามันมันมันเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิยาต่อกันไปเว่าถ้าไม่มีไม่มีตัวตัวความตัวเนี้ตัวตัวความโกรธตัวเนี้ยการโกรธก็จะไม่เกิดเมื่อการโกรธไม่เกิดการฆ่าก็ไม่เกิดการฆ่าไม่เกิดการตายก็ไม่เกิด คนฆ่าก็ไม่เกิดมันไม่มีอะไรเลยนายกก็อยู่สบายนายขอก็อยู่สบายแต่พอมันเกิดอาการกิเลสปักปรากฏว่านายขตายนายกจิตคุกลูกเมียนายขอก็เดือดร้อนญาติพี่น้องนายขอก็เดือดร้อนลูกเมียนายก็เดือดร้อนคนหนึ่งเดือดร้อนเพราะญาติติดคุกคนหนึ่งเดือดร้อนเพราะญาติตายมันไม่มีอะไรเลยมันมาจากมันมาจากความโกรธตัวเดียวแต่นั้นเอง ที่จริงประโยชน์มันเคลื่อนไหวอยู่แต่ละประโยชนนี่เราจะเห็นอย่างนี้ทั้งหมดจริงแต่เราไม่ได้คิดกันเองเรยก็ไปอธิบายให้ฟังแล้วก็บันทึกให้นะฮะตอนนี้ที่จริงยังอยู่ที่หลังรถอยู่แลยเราเลื่อนประชุมมาสองสามครั้งนะจะเ อ, เอาไปให้เขาดู น, ะนั่นก็คือจ า, จากจุดที่เราไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยทำให้เราบางทีเราปฏิเสธธรรมะ ตอนนี้กำลังติดตามเอกสารฉบับหนึ่งที่มีการมือวา่ากันอยู่ในหนังสือปีดแบบนี้เอกสารกรรมา น, อนอ์นะฮะทานทั้งหลปรากฏว่าเมื่อวานนี้ให้คนไปหามาจากนิดา้าเรียกแต่งไม่ใช่นิด้าทําด้วยปรากฏว่าหนังสือนี้ไม่ใช่เมื่อสามศูนย์หนังสือนี้มันตั้งสิบผ้าตั้งหนึ่งห้าเป็นผลงานที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์พรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยจะให้คนไปดูที่ธรรมศาสตร์ถ้าแดงมาธรรมศาสตร์เองคงลอกมาจากใครอีก มันไปนลอกกันแล้วลอกกันอีกแต่ทีนี้มันดูได้อย่างนะว่าคนเราขาดภูมิปัญญาในการวิิจัยสื่อสารต่างๆมันลอกกันมาได้ยังไงว่าภูมิปัญญาของคนละกลุ่มกันแต่ละคนนั้นระดับไม่ใช่ธรรมดานะพศรอสอสะแต่ไปลอกกันมาได้ทุกตัวเลยไม่ได้มีการวิเคราะห์สารนั่นเลยว่ามันมีความต้องเพศตรองผลไหม แกปฏิเสธหมดนะฮะธรรมะในศาสนากัตัญญูกะตะเวทีเมตตารักสงบเสียสละสามัคคีอะไรแต่ไรเละหมดเลยว่ามันเป็นอุปค่าอุปสรรคขัดขวางประชาที่ไปตยหมดเลยอย่างนึกขามเออบางคนโง่เยอะเลยบ้านเราไม่รู้อะไรคือเราจะลืมเราปฏิเสธได้เราต้องยืนยันได้อ น, นี่คือคื อ, ค, อคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจพอเราไปเห็ว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วคนไหนใช่อย่างนี้ไม่ถูกแล้วอย่างไรถูก เราอย่าลืมว่าเราปฏิเสธแสดงเราต้องยืนยันได้ถ้าเรายืนยันไม่ได้อย่าปฏิเสธมันมันเป็นการสะท้อนภาพสองมุมเราลืมคิดไปคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ค่าแล้วใครค่าเมื่อคุณรู้คนไม่ค่าคุณต้องรู้คนค่าด้วยแล้วคุณบอกเขาไม่ค่าแล้วใครค่าวเลยก็เป็นเวลานี้มันมันก็มีแต่การสงสัยก็สงสัยก็สงสัยเราเราไม่ค่อยมองนะไม่เคยมอง นี่คือมองถึงถึงความต่อเนื่องกันตอนนั้นาการฟังของท่านประเภทเนี้ยเป็นการฟังและรับลักษณะภาชนะที่รับเต็มที่เลยพอความตกลงมาถลายรับเก็บหมดมันก็เข้ากระบวนการทางจิตอย่างที่ว่าตะกี้นะเอ็นรับจําคิดรู้เต็มที่เลยทั้งรับทั้งจํทาทั้งคิดทั้งรู้อยู่ในนั้นหมดเลยรับอะไรก็รับสิ่งที่ผ่านมาทางภา ษ, ษ, ษทาทำภาัาเอาตรงนี้ธรรมะท่านบอกว่าธรรมะจำอะไรก็จําธรรมะที คิดอะไรก็คิดธรรมะรอะไรู้แหละรู้ก็รู้รู้รรธรรมะอะไรเห็นไหมมันจะผ่านกระบวนการของมันทั้งหมดเพราะทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้จิตของเรานั้นเหมือนกับโรงงานเนี่ยประสบการณ์นั้นเหมือนกับวัตถุดิบอันนี้เป็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดเพราะเห็นว่าสองอย่างนี้ต้องสัมพันธ์กันประสิทธิภาพของโรงงานต้องดีนะและวัตถุดิบต้องมีมากแล้วก็มีคุณค่าจึงจะผลิตอะไรออกมาได้ โรงงานดีเหลือเกินไม่มีวัตถุดิบ ป, ป้อนก็ขึ้นเสนิมก็จบวัตถุดิบมากมายกาย่กองโรงงานไม่มีประสิทธิภาพทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมสองอย่างนี้จะต้องประสานกันการรับรู้การเรียนรู้แต่ทีนี้พอมาถึงโรงงานบางทีโรงงานก็เล็กกันะฮะโรงงานก็เล็กแต่เขาก็มีประสิทธิภาพในจุดนั้นเขาสามารถผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในเนื้อหาของเขาเนี่ยได้ มันมันเ ร, เราจึงมีการเรียนรู้ในสองแนวที่ที่เรียกว่าใชาป้ประโยชน์ได้ก็คือแนวดิ่งลงไปเลยเจาะลึกในแต่ละเรื่องเก่งในเรื่องนั้นก็เป็นปรับได้นะเป็นปรับได้อย่างอะไรศิลปินแห่งชาติอะไรเมือม่อเมื่อคืนที่ประกาศกันแล้วก็ต้องก็เก่งในแต่ละด้านอีกแนวหนึ่งก็คือแนวที่รู้ทั้งลึกทั้งกว้างนะ รู้ทึกส่วนเขาเรียกว่ารอบรู้คือรู้ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านั้นที่เราเรียกปริญญาเนี่ยปริแปลว่ารอบนะยาก็คือรู้หมายความมารู้รอบด้านรู้ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านั้นกี่มุมนะกี่มิติก็รู้มันทั้งหมดไม่ใช่รู้เฉพาะมุมใดมุมหนึ่งอย่างในอาการเพิ่มในจักรพรรดิว่าเป็นการมองมุมเดียวนะมุมที่จะให้ แล้วก็ต่อไปก็อพอเลือกตั้งใหม่ก็ใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงนี่ผมนะหลวงพ่อในรัฐบาลผมนะนะเลื่อนเงินนิติพัทรให้พ่ อ, อไปแล้ทีเนี้ยหลวงพ่อก็เป็นหนี้บุญคุณเออนี่กดนี้เขาให้นิติภัดเพิ่มมาแหละเป็นเครื่องมือต้องลงว่าอย่าลืมว่าประเทศขเขมรที่พระพังไปเนี่ยเพราะว่าพระรับเงินเป็นเหมือนข้าราชการใช่ไหมนะเจ้าหน้าจังหวัดมีเท่ากับพลตรีบนโทนะ เจ้าจหน้าจังหวัดของของกัมเมรเนี่ยเทียบอัตราเทียบเทียบเทียบตํบาแหน่งทหารเหมือนกับพ ล, ลตรีพลโทแ ล, ลท้วพลตรไทยเปไงประกอบมนิดข้ามันข้าวลาก่อนเลยเพราะเป็นข้าราชการมันก็เป็นฝ่ายมันเหมือนกับเป็นข้าราชการมันจะเป็นฝ่ายทันทีจะกินเงินเดืนอนเขาไม่ใช่ง่ายอ่ะนะมันกลายเป็นเครื่องมือเขาโดยโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นดังนั้นปัญหานี้เป็นการมองในมุมเดียวโดยลืมมองให้มันละเอียดต่อไปว่าปัญหานี้มันจะตามมาด้านการการปัญญาในแนวนี้จึงเป็นปัญญาที่พึงประสงค์เก็บได้มากรือเก็บได้น้อยก็คือเก็บได้ภาชนะจะใหญ่จะเล็กไม่รู้วแต่เราก็รับได้เรากเก็บไปได้แล้วการบริโภคใช้สอยสิ่งที่เรารับไว้มันก็เป็นสมบัติของเรา พรุทธศาสนาแม้แต่ภาพรวมๆท่านจะเห็นว่าเป็นศาสนาที่แปลกคือของใครของคนนั้นเลยศาสนาในพมา่าในลาวในเขมรในไทยในญี่ปุ่นในเกาหลีของเขาของเขาแต่ละคนไม่มีใครก้ากไก่ไม่มีใครจุ่นจาดว่าใครกันไม่มีใครว่าพม่าผิดไทยถู ก, กเขมรผิดลาวถูกอะไรแต่ไรไม่มีใครว่าเลย เอานั้นอ๋อนี่พระคมิญเขาเลจะอาพระขมิญพระไปนั่งสามล้อ ก, กับผู้หญิงได้ไหมถา ม, มาพระไหนพ ร, ระพมา่าได้พระม่ากขา ก, ก็นั่งไงนะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พระเราไม่ได้เห็นไหมครัคือคือเราจะเราจะไม่ก้าวขายกันซึ่งในแง่ของความเป็นศาสนาเนี่ยดีครแต่ในในแง่ขององค์กรแล้วไม่ค่อยดีเพราะมันจะขาดการรวมตัว ก, กัน พลังมากกลายเป็นพลังน้อยมั น, ม, ม, นมันผีดกับอิสลามอิสลามกุจะเห็นว่าอิสลามเกิดไม่พอใจใครขึ้นมาถ้าคนหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยะอิสลามจะตะวันออกกลางมันสั่งมาภาคใต้ได้ร้นคุมก็ได้ตลอดแต่งานบางอย่างบางทีมันคําสั่งตรงมาจากลิเบียนะแสดงว่าลิเบียสั่งเราได้ในฐานะในฐานะศาสนาเดียวกันบางทีก็สั่งตรงมาจากวาดีกัน คตไทยนะฮะแต่เขาํำถือคริสต์มันก็ขึ้นต่อนาจักรวาสติกันก็ก็สั่งคนเหล่านี้ได้แต่เราไม่มีทางเลยเรา ม, มีทาง เ, เพราะมันก็อยู่แยกส่วนกันไปจุดในความเป็นศาสนาให้อิสระแต่จุดในความองค์กรแล้วเสียลักษณะองค์กรจะต้องรวมกลุ่มแล้วต้องรวมศูนย์จะต้องมีแผนมีนโยบายในการที่จะรักษาพัฒนาองค์กรเราได้ ก็เราก็พลังไม่ใช่เล่นนะนะถ้าเราเปิดอะไรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนั้นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจข้างบนได้นะตีไทยพมา่าจีนลาวเนะี่ยเราเปิดตัวนั้นได้เราต่อยืนนานนะพวกเราเยอะนะฮะเข้าไปอัดสามอาขมอะไรตัวอะไรเนะี่ยมณีปูนเะน่ยเข้าไปตั้งอินเดียเลยพวกเราตังนั้นเน่ยไทยตา้งนั้นเนะน่ยนะแล้วพวกจ้วงในจีนอีกเยอะแยะเลยพลังมห า, าศาลนะฮะ แต่ว่าเราขาดการรวมสูตรต่างคนต่างอยู่แต่ในแง่ธรรมะแล้วก็ดีนะเห็นไหแง่ธรรมะแล้วก็ดีหมายความว่าเป็นเรื่องของกรรมโดยเฉพาะใครทำใครได้แน่นอนเป็นธรรมชาติถูกต้องนะเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของเฉพาะคนาศาสดาสามารถทำได้ขนาดนี้หมอทำได้ขนาดนี้พ่อแม่ทำได้ขนาดนี้ต่อไปเธอต้องทาเองอย่างดีน ะ, ะเราทาได้แค่ปรุงอาหารให้ จะกินจะตักใส่ฝากจะเคี่ยวจะกืนอะไรเป็นเรื่องของตัวเองทำได้เท่านั้นเองเพราะงั้นภาชนะแบบหงายเนี่ยจึงเป็นความจำเป็นในฐานะผู้ศึกษาเพื่อจะเก็บรวบรวมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในการคิดคือถ้าเราถ้าเราเก็บไว้บ้าเราจะคิดได้อย่างมีระบบแล้วก็มันจะเกิดสะดุดในในบางจุดไปจะคิดไหลไปเรื่อยโดยโดยไม่ได้มองหัวมองหางอะไร เพราะสิ่งสิ่งต่างหลายนั้นไม่ใช่มันมันมันมีความสมบูรณ์อะไรทุกอย่างมีประสาททุกอย่างมีปัญหาเราจะเห็นได้ทั้งตัวเหตุตัวก็เรียตัวเห็นได้ทั้งตัวปัญหาทั้งเหตุเกิดปัญหาทั้งการการไม่มีปัญหาแล้วกรรมวิธีในการจะแก้ปัญหาประยุทธ์นี้เป็นการสอนในวิเคราะห์ตัวเองไงนะฮะสอนวิเคราะห์ตัวเองเฉย ว่าในการฟังในการเรียนในการเรียนด้วยนะฮะเช่นว่านิถิตนักศึกษาอ่านหนังสอือนี่ก็เรียนนะฮะเรียนแบบไหนล่ะเรียนแบบภาชนะความนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยนะบางทีสวมสาวบบาด้วยนะฮะดูโทรทัศน์ด้วยสาวเบาวสวมหัวอยู่ด้วยแล้วก็อ่านหนังสือด้วยเลยเรียบร้อยนะฮะนั่นก็คือภาชนะแบบความภาชนะแบบวางบนตักไม่ใช่ของไปวางมือนตักหรือของที่ อยู่ในภาชนะซึ่งหายรับเหมือนกับรับน้ําฝนนะนะเราจะเห็นว่าพระภาชนะภาพขาก็สอนสอนสิ่งที่ที่เราเห็นอยู่ในขณะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าใจสําคัญคือใจที่ที่คว่ำก็คือใจที่ไม่ใส่ใจนะใจที่รับก็คือใจที่สนใจในขณะสนใจเป็นช่วงสั้นๆความสนใจ่งสั้นๆ แรียว่าใจที่ที่ที่เก็บไว้ในภัชนะนั้นคือใจที่รับแล้วก็เก็บแล้วก็คิดนะเกิดความรู้ที่มีความตดเนี่ยซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการทางภาษาสัมผัสโดยเฉพาะกระบวนการทางจิตให้มีประสิทธิภาพในการศึกษาเรียนรู้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเก่ตนมากยิ่งขึ้นสมมติวันนี้ก็ขอยูติไว้ในเวลาแบบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรม ยงมีแต่ท่านสายชนหลายโดยทั่วการทุกท่านตื่น